บทที่76ยิ่งให้ยิ่งได้หลวงพ่อข้าสารกับมาพร้าวหมดแล้วโยมท้มวมวัย66บอกหลวงพ่อสดในตอนเย็นวันหนึ่ง โยมท้วมเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กได้มาช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินในวัดโดยไปไปมามาครั้นสามีตายและลูกเต้าออกเย้าออกเรือนกันหมดแล้วก็จึงมาอยู่ที่วัดอย่างถาวรตอนอายุ60สพอดิบพอดีนี่ก็อยู่มาได้ห0สิบกว่าปีแล้วหมดก็ช่างเธอโยม เดี๋ยวเขาก็เอามาให้สมภารวัดปากน้ำบอกเพื่อนเก่าตอนมาอยู่วัดนี้ใหม่ๆพระเจริญรู้สึกไม่ถูกชะตากับโยมท้วมเพราะแกะชอบวางท่าเคื่องคงจะเห็นว่าเป็นเพื่อนกับสมภารครั้นอยู่นานไปจึงได้รู้ว่าแกไม่มีอะไรนิสยัยแกเป็นอย่างนั้นเองเนื่องจากว่าวัดปากน้ำเป็นสำนักสอนวิชาธรรมกาย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 ต้องเกณฑ์พระเนนมาช่วยกันขนขึ้นจากเกรือนำไปเก็บไว้ในครัวพระเจริญก็ช่วยเขาขนด้วยการแบกไปเก็บทีละหนึ่งกระสอบแม้จะผอมหากก็แข็งแรงแบกข้าสารทั้งกระสอบไวขณะที่รูปอื่นๆช่วยกันหามโยมาจากไหนจ๊ะท่านถามสตรีวัยกลางคน ที่เป็นคนนำเรือขนมะพร้าวและเข้าสารมามีใครไปบอกให้เอามาถวายหรือเปล่าท่านถามอีกก็มาวานหลวงพ่อสดพูดว่าเดี๋ยวเขาก็เอามาให้ไม่มีหรอกจ้าเมื่อเย็นวานอีฉันเกิดนึกอยากจะทำบุญเลยให้ลูกๆช่วยกันสอยมะพร้าวได้สองลำเรือและก็มีคน ก็เอาข้อสารมาให้เป็นค่าเช่านาอิชันก็เลยปันมาทำบุญหนึ่งลำเรือวัดนี้มีพระเยอะเราะว่าท่านจะอดยากนางพูดพลางบ้วนน้ำหมากปิดลงในครองทำให้น้ำตรงนั้นกลายเป็นสีแดงแล้วก็ค่อยๆจางหายไปขนมะพร้าวและข้าวสารขึ้นจากเรือเสร็จแล้วเจ้าของเรือ จึงไปกราบลาหลวงพ่อสดขอบใจนะโยมอัตมาขออนุโมทนาท่านหยิบพระผงขึ้นมาสี่องค์บอกให้นางแบมือทั้งสองข้างยื่นออกมาข้างหน้าเพื่อรับพระแล้วก็หย่อนพระผงสี่องค์ลงในมือของนางเอาไปให้คนขับเรือคนละองค์ท่านสั่งสตรีใจบุญกลับไปแล้ว พระเจริญจึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับผมสงสัยจริงๆสงสัยมานานแล้วด้วยเห็นจะต้องขอความเมตตาจากหลวงพ่อช่วยให้หายสงสยัยขี้สงสัยจริงนะเอาละจะถามอะไรก็ถามมาภิกษุวัยหกสิกล่าวอนุญาตคืออย่างนี้ครับผมสงสัยเหลือเกินว่า เวลาที่ของในโรงครัวหมดแล้วโยมท้วมมาบอกหลวงพ่อหลวงพ่อไม่เคยบอกให้ไปซื้อเลยสักครั้งได้แต่พูดว่าเดี๋ยวเขาก็เอามาให้แล้วก็มีคนเอามาให้จริงๆโดยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อผมได้ต้องข้อสังเกตมานานแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ครับหรือว่าหลวงพ่อมีคาถาเมตตามหานิยมคาถาเมตตามหานิยมที่เธอว่าน่ะ เราไม่มีลอ็อกมีแต่คถาแผ่เมตตาเฉยๆมันอยู่ที่จิตนะถ้าจิตเรามีเมตตาเราแผ่ออกไปอย่างสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้เขามีความสุขความเจริญเมื่อมีเมตตาจิตก็ดีเมื่อจิตดีนึกอะไรก็ได้หมดนึกเงินก็ไหลนองนึกทองก็ไหลามา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 ได้สิครับหลวงพ่อไปทำสิบโกรธก็ยังเหลืออีกตั้งพระนมหยุดคิดแล้วที่ตกคณิศาสตร์บ่อยๆจึงทำให้คิดช้าตั้งเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโกรธรู้สึกโล่งใจที่ตอบออกมาได้นั่นแหละทีนี้สมมุติอีกครั้งหนึ่งสมมุติว่า ยาจกเข็นใจยากจนมากแม้แต่จะกินเข้าไปก็ยังไม่มีแต่เขาคิดอยากจะทำบุญสักสิบโกดเช่นนั้นเขาจะทำได้หรือเปล่าจะทำได้ยังไงล่ะครับหลวงพ่อแม้จะกินเข้าไปยังไม่มีแล้วจะเอาที่ไหนไปทำบุญก็เหมือนกันนั่นแหละคนที่ทำบุญได้เขาก็ต้องมีบุญเป็นทุนอยู่ก่อน เหมือนกับเรามีทรัพย์อยู่เรื่องของจิตก็เหมือนกันการที่จะแผ่เมตตาได้ผลจิตจะต้องมีเมตตาก่อนคือต้องสร้างเมตตาให้มีในจิตเสีย ก, ก่อนแล้วเจงจะสามารถแผ่ไปให้ผู้อื่นได้การที่เธอมาปฏิบัติมาภาวนาสัมมาอารหังก็เพื่อจะสร้างเมตตาขึ้นในจิตเมื่อมีเมตตา ก็สามารถแผ่ไปให้คนอื่นได้ถ้าเราไม่มีเมตตาเลยเหมือนคนไม่มีทรัพย์จะแผ่ให้คนอื่นก็ไม่ได้จริงไหมจริงครับและคนที่เราแผ่ไปให้จะได้รับทุกคนหรือเปล่าครับก็ขึ้นอยู่กับจิตของเขาอีกเหมือนกันถ้าจิตเขาเปิดรับก็รับได้เช่นสมมุติว่าเราเทศออกทางอากาศ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์วันที่หนึ่งเวลาบ่ายสองโมงแต่วันนั้นเวลานั้นเธอไปเปิดฟังสถานียันเกราะเธอจะได้ฟังเทศของเราไหมไม่ได้ฟังครับหรือถ้าผมปิดวิทยุไว้ก็ไม่ได้ฟังเหมือนกันตอบเกินคำถามนั่นแหละ การแผ่เมตตาให้ผู้รับจะได้หรือไม่ได้รับก็ขึ้นอยู่กับจิตของเขาเหมือนกันพูดอย่างนี้เธอคงพอจะเข้าใจครับผมเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับแต่ผมก็ยังสงสัยอยู่ดีนะว่าทำไมคนเข้าถึงชอบทำบุญที่วัดนี้ทำไมเขาไม่ไปทำที่วัดอื่นบ้างเท่าที่ผมเห็นมานะครับหลวงพ่อ บางวัดมีคนไปทำบุญเยอะแยะข้าของเหลือเฟือแต่บางวัดกลับอดอยากยากแค้นแม้แต่จะหาทูบเทียนมาจุดบูชาพระก็หาไม่ได้เพราะไม่มีคนเข้าเอามาถวายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเป็นต้นว่าพระในวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมภารเจ้าวัดท่านปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบ สมควรแกกของที่เขานำมาถวายหรือเปล่าญาติโยมเขาศรัทธาไหมและท่านเคยช่วยเหลือแบ่งปันญาติโยมเวลาที่เขาเดือดร้อนอดอยากบ้างไหมที่วัดนี้เราให้นะเราไม่ใช่ตรับอย่างเดียวพระบางรูปท่านรู้จักแต่จะรับจากญาติโยมแต่ไม่เคยให้ญาติโยมเป็นการตอบแทนเลย ส่วนเราใครมาขอเราให้หมดไม่เคยหวงเช่นบางครั้งมีโยมเขาพายเรือมาบอกหลวงพ่อข้าสารที่บ้านฉันหมดไม่มีข้าวหุงให้ลูกกินขอบิณฑบาตเข้าสารหลวงพ่อสักมอเถอะเขาว่าอย่างนี้ใช้คำว่าบิณฑบาตยังกบว่าตัวเองเป็นพระท่านพูดยิ้มยิ้มและหลวงพ่อให้หรือเปล่าครับให้สิ ก็บอกแล้วว่าเราไม่เคยหวงใครเราก็สั่งโยมท้วมว่าช่วยเอาข้าวสารให้โยมข้อหน่อยแรกๆโยมท้วมแกะก็กักัฟัดกะเฟีย ด, ดให้ยังไม่เต็มใจบางครั้งถึงกับตะคอกใสเราว่าข้าวที่วัดกำลังจะหมดเหมือนกันเราก็หวาหมดก็ให้มันหมดไปเดี๋ยวเขาก็เอามาให้พอตกเย็นก็มีคนเอาใส่เรือมาถวายจริงๆ ตอนหลังโยมท่วมก็เลยเชื่อตามที่เราว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้หลวงพ่อสดเล่าให้พระหนุมฟังงั้นผมได้ตำราจากหลวงพ่อแล้วพระหนุ่มพูดอย่างยินดีตำราอะไรของเธอละ่ะ สมพานวัดปากน้ำถามตำราที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดก็ไม่มาเราไม่หวงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆตำรานี้ใช่ได้ไหมครับดีเข้าท่าดีตั้งแต่มาอยู่ใกล้เราเธอฉลาดขึ้นเยอะเลยหลวงพ่อด่าผมอีกแล้วพระนมตัดเพอ เธอก็อนึกว่าเราเป็นผู้หญิงเสก็สิ้นเรื่องพิษุวัยหกสิบหกยาวทำไมต้องนึกว่าหลวงพ่อเป็นผู้หญิงล่ะครับอ้าวก็เขาพูดกันว่าผู้หญิงด่าแปลว่าผู้หญิงรักผู้หญิงให้จวักแปลว่าเขากวักมือท่านตอบยิ้มยิ้มแต่ผมเป็นโรคเกลียดผู้หญิงครับ ยกเว้นโยมแม่กับโยมยายผมอ่อเยิมท้วมอีกคนหนึ่งพระหนมพูดฉะฉานบ่ายสองโมงของทุกวันหลวงพ่อสดจะออกรับแขกที่ศาลาญาติโยมจะพากันมามากมายใครมีทุกมีร้อนอย่างไรต้องการให้ท่านช่วยก็จะเขียนใส่บาดไว้โดยเขียนชื่อที่อยู่และเรื่องที่ต้องการให้ท่านช่วย ถึงเวลาพักผ่อนท่านก็จะเรียกพระเจริญไปที่กุฏิคลี่กระดาษที่โยมเขียนไว้ออกอ่านให้ท่านฟังฟังแล้วรายไหนช่วยได้ท่านก็ให้ม้วนใส่บาตอีกใบหนึ่งไว้รายไหนช่วยไม่ได้ท่านก็สั่งให้ฉีกทิ้งวันนี้ก็เช่นกันรายแรกที่พระเจริญอ่านก็คือดิฉันชื่อนางอรดีบ้านอยู่บางนา ขอให้หลวงพ่อช่วยแผ่เมตตาให้ด้วยลูกชายดิฉันไปเรียนเมืองนอกดิฉันสามีและลูกสาวอีกสองคนจะบินไปส่งถึงที่อเมริกาจึงขอให้หลวงพ่อพระหนุ่มอ่านยังไม่ทันจบหลวงพ่อก็สั่งว่าฉีกทิ้งฉีกทิ้งรายนี้ช่วยไม่ได้พระหนุ่มทําตามแล้วก็หยิบม้วนที่สองออกมาครีอ์อ่าน ดิฉันกิมล้างบ้านอยู่สาธุประดิษฐ์สามีของดิฉันติดการพนันงอมแงมแล้วก็จะชู้อีกด้วยได้พลานทรัพย์สินของดิฉันไปเกือบหมดตอนนี้ก็ได้เอาตึกของดิฉันที่อาศัยอยู่กับลูกๆไปจำนองดิฉันเกรงว่าถ้าขาดจำนองเมื่อใดลูกๆ ก, ก็จะไม่มีที่อยู่จึงขอให้ หลวงพ่อสดรีบสั่งว่าเอาใส่บาทไว้รายนี้ช่วยได้พรุ่งนี้ถ้าเข้ามาฟังผลบอกเขาว่าให้มาเข้ากรรมฐ า, านเจ็ดวันและจะช่วยได้คนนี้กูสลพอรายที่สามเขียนว่าหลวงพ่อคะหนูเป็นเมียน้อยคนที่สี่ของสามีถูกอีเมียน้อยคนที่ห้ามันอิดชา้า เพราะหนูสวยกว่ามันหลวงพ่อช่วยแผ่เมตตาให้หนูด้วยให้สามีรักหนูมากๆอย่าไปรักมันคนอ่านก็ยิ้มแล้วก็ปวดขึ้นบ่าเรื่องนี้ก็ต้องมาให้พระช่วยหลวงพ่อช่วยได้ไหมครับช่วยไม่ได้กุศลไม่พอทำไมถึงไม่พอล่ะครับพระหนุ่มดูจะสนใจรายนี้เป็นพิเศษก็เขาไม่สร้างกุศลเข้าไว้ คนที่ไปแย่งสามีคนอื่นก็บาปนะเธอผู้ชายมีถมเถททำไมต้องไปแย่งเขาด้วยท่านตาหนิแล้วรายแรกทำไมหลวงพ่อถึงบอกว่าช่วยไม่ได้ล่ะครับก็ที่ไปเมืองนอกนะ่ะก็กุศลไม่พออีกเหมือนกันพรุ่งนี้เขาเดินทางไปแต่ไม่ไปถึงอเมริกาหรอกไม่เชื่อเธอคอยดูทำไมล่ะครับ พระหนุ่มสงสยัยเครื่องบินตกนะสิพากันตายทั้งครอบครัวเลยทำไมหลวงพ่อไม่ช่วยเขาล่ะครับอย่างน้อยก็บอกเขาว่าไม่ให้ไปแล้วใครก็จะเชื่อเราละ่ะมันเป็นกรรมของเขาเขาทำกรรมมาด้วยกันก็ต้องมารับอิบากกรรมร่วมกันเธอคอยอ่านข่าวหนังสือพิมพ์วันมะรืนนี้ก็แล้วกันอ้าออ่านรายต่อไปสิ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 ก็ช่วยเขาได้จริงๆส่วนรายไหนไม่ได้ก็ไม่ได้จริงๆอีกเหมือนกันหลวงพ่อใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาครับถ้าเธออยากรู้ก็ต้องเร่งปฏิบัติให้ได้ธรรมกายและเธอจะไม่ถามอย่างนี้อีกแม้หลวงพ่อครับผมเพิ่งจะบวชได้แค่ห้าพรรษาประสบการณ์อย่างน้อยกว่าจะทำได้อย่างหลวงพ่อ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 มันก็คล้ายๆกันคือการที่เราจะแผ่เมตตาไปให้เหมือนกับชาร์จไฟเข้าหม้อแบตเตอรี่ถ้าหม้อดีก็เก็บไฟอยู่ถ้าหม้อรั่วไฟก็รั่วออกหมดทีนี้คนที่ไม่มีกุศลก็เปรียบเหมือนหม้อรั่วก่อเสียเวลาที่เราจะไปช่วยถ้าเปล่าหัวก่อเสียลมในท้องเปล่าๆพอจะเข้าใจหรือยังเข้าใจครับ แต่ก็ยังสงสัยอีกนัแหละว่าหลวงพ่อรู้ได้ยังไงว่าแบตเตอรี่ของคนนี้รั่วหรือไม่รั่วตรงนี้แหละสำคัญเราจะบอกเธอสั้นๆว่าได้ธรรมกายเมื่อไรเธอก็จะหายสงสัยเมื่อนั้นเอาละกลับเข้าห้องได้เราจะพักผ่อนเสีที พระผงวัดปากน้ำรุ่นแรกที่หลวงพ่อสดแจกญาติโยมนั้นมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเมื่อถูกน้ำจะละลายพระเจริญหัวคิดดีจึงใช้เนนป้องไปซื้อแลกเกอร์ตราปราทเพียนคู่มาและนนำพระผง ม, มาชุบแลกเกอร์พึงลมไว้จนแห้งปรากฏว่าสามารถแก้ปัญหาละลายน้ำได้เมื่อต้นทุนการทำพระสูงขึ้น ทางวัดจึงเปลี่ยนนโยบายจากการให้เปล่ามาเป็นเช่าองค์ละ25บห้าบาทญาติโยมก็พากันมาเช่ามากกว่ามารับแจกซิเอกคงจะเห็นว่าของได้เปล่าไม่มีค่าถ้าต้องใช้เงินแรกดูจะมีค่าขึ้นพระเจริญจึงมีหน้าที่ช่วยหยิบพระสงฆ์ให้หลวงพ่อซึ่งท่านจะให้เช่าเพียงหนึ่งองค์ต่อหนึ่งคน ใครมาขอเช่ามากกว่าหนึ่งองท่านก็ไม่ให้โยมผู้หญิงคนหนึ่งมาแอบกระซิบพระเจริญว่าช่วยบอกหลวงพ่อหน่อยฉันขอเช่าหลายองค์จะได้หรือเปล่าจะเอาไปฝากญาติๆทางปักใต้พระหนุ่มยังไม่ทันจะบอกหลวงพ่อสดก็พูดขึ้นว่าไม่ได้เจ้าเกินหนึ่งองไม่ได้โยมคนนั้นตกใจจนหน้าซีด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 ถือเป็นโอกาสเรียนถามสมภารว่าหลวงพ่อครับทำไมถึงไม่อนุญาตให้โยมเขาเช่าพระผงคนละหลายๆายองค์จะได้มีเงินเข้าวัดมากๆท่านคิดว่าเป็นคำถามที่มีเหตุผลหากหลวงพ่อสดกลับตอบว่าช้าไว้เธอนี่บ้องตื่นมากรู้ไว้เธอว่าถ้าเราให้เขาเช่าเฉพาะคนที่นับถือเราเท่านั้น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 ใครไม่รู้จักเราได้ไปพระก็ไม่คลังช่วยเขาไม่ได้ก็จะมาว่าเราแล้วก็จะเอาพระไปทิ้งเสียเปล่าเปล่าคือเหตุผลที่ท่านไม่ให้เช่าเกินหนึ่งองค์และถ้าผมจะขอเช่าไปฝากพี่ป้านาอาทางเมืองสิงจะได้หรือเปล่าครับพระเจริญถามอีกพี่ป้านาอาของเธอเขารู้จักเราไหม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 ถ้าเช่นนั้นผมจะขอเช่าองค์เดียวครับพระหนุ่มยอมจำนวนต่อเหตุผลของสง่ารไม่เป็นไรสำหรับเธอไม่ต้องเช่าเวลากลับบ้านเราจะให้ไปสองกรรมให้เก็บไว้แจกคนที่รู้จักเราคนเมืองสิงห์คงมีบ้างรอกที่รู้จักหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญ ถ้อยคำหลวงพ่อสดทำให้พระนงปีตินักจากนั้นจึงทำหน้าที่อ่านดิกาถวายสมภารวัดปากน้ำ